ความผูกพันจากการข้องเกี่ยวต่างๆเกิดเห็นมีสติเก้าได้าเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำนามทำตามความเป็นจริงทําไมเราจะไม่เห็นมันตามาก็เห็นอยู่ส่องผ่าได้อยู่ทีส่องผ่ากับรูปมันก็ไม่อยู่เป็นรูปจริงๆเป็นดุน่นเป็นกอด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 เหมืนกัว่ารูปเนะี่เป็นบ่าวนามเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาวรับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปน่าสงสารน่าสงสารสงสารอะไรก็ไม่เท่าสงสารรูปสามสิปีจึงมาเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ช่วยรูปไม่ได้ดูแลเลยปล่อยเปละละเลยให้หมักหมมให้จมอยู่กับสิ่งต่างๆ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 เอาใบตองยัดเข้าไปเอาแกลบใส่หม้อลูกหนึ่งตั้งปากหม้อโอง่งแล้วก็เอาดินมาเยี่ยวมายาแล้วเอาจุดไฟเผาแกลบในกำเป็นงั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าขอกล้วยจงสุก ข, ขอกล้วยจงหวานจากรสกล้วยที่ฝาดขอให้เป็นรสกล้วยที่หวานไม่ต้องไปคิดเปนเพลิงสมองมีเการกระทํา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 ถ้าเราใช้ชีวิตถูกต้องโลกก็หายอโรคยาปรมาร า, าคาความไม่มีโลกเป็นล้าปันปเปิ้อนเาก็ไปแบบนั้นโลกมันหลายอย่างรูปโลกนามโลกความโลกความโกรธความหลงความ ล, คามลกความชังกิเลสตหาลาคะความไปตกกังวลเศรามองเป็นโลกของนามรักษาได้เด็ดขาดไม่ต้องอาศัยยีย่วยาหามุข ห, หมอ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 เมื่อเสียงนั้นมันเกิดขึ้นก็ดูลู่แล้วลูกก่อนสี่สิบปีมาแล้วเรื่องนี้นะมันเป็นของทูกควบคุมมันเป็นกดตายตัวไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อไปลูกโลกน้ำโลกโลกของน้าเนี่ยหายไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดจดเจ้าเครื่องสวบกหมดจดเลยทุกลูกโลกโลกของลูกก็นมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พอเรามีสติมี ความเกี่ยวข้องกับรูปกคำนามถูกต้องแล้วก็อาพาธก็น้อยนะอาพาธก็น้อยจิตเป็นสะอาดบริสุทธิ์บริไม่สูบเล่าไม่กินไม่โกรธไม่โลภไม่หลงจิตใจเรียบเรียบจิตใจไม่มีคลื่นชีวิตไม่มีคลื่นไม่ยินดียินร้ายไม่ฟูฟูแฟบแฝบเหมือนรถที่วิ่งทางเรียบเรียบแล้วก็ไม่สุดไม่ส้มชีวิตของเราที่มันเป็นทางเรียบ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 ราบเรียบเหมือนหน้ากองใส่ชีวิตแบบนี้ศาสนาภรีลอริยเมตตาจะมาตัดสโล่ให้เราได้เห็นหมายถึงที่ปฏิบัติธรรมเอาทำคําสอนของพระสมณโคดมเลยแหละมาปฏิบัติจนเจริญก้าวหน้าต่อถึงภระีอริยเมตตาลูกโลกตามโลกลูกสมมุตินามสมมุติออกมาลื่ถอนไปหมดเลยนะสมมุติบัญญัติโอ้ยเต็มไปเลย สมมติว่าตาเห็นลูกสมมติว่าดีสมมติว่าไม่ดีหูได้ยินเสียงสมมติบัญญัติว่าช ouais. อบว่าไม่ชอบถูกกำหนดด้วยสมมติบัญญ you know ัติไม่เห็นประมติสัจจะมีแต่บัญญัติบัญญัติบัญญัติบัญญัติบัญญัติเอาฉันชอบฉันไม่ชอบทำตามความชอบทำตามความไม่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบบัญญัติต่างว่าละต่างอะไรกัน ของอย่างเดียวสมมุติว่าชอบของอย่างเดียวสมมุติว่าไม่ชอบสามีพัญญาบางคนสมมุติขึ้นมามาฉันไม่ชอบเบื่อหน่ายแล้วบัญญัติเอกถูกสมมุติบัญญัติหลอกกลวงก็เจิดกเกิดเชิงไม่เป็นผู้เป็นคนไม่รู้จักปรมาศัจจาตามความเป็นจริงเห็นสมมุติบัญญตัติในโลกนี้เต็มไปด้วยสมมุติในโลกเต็มไปด้วยสมมติบัญญัติ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 หเห็นกันไปนานๆก็จํากันได้รู้นิสใสใจคอรู้จิตยามรารยาทเป็นเพื่อนเป็นพิษเป็นมิตรแท่เมตรเทียมอย่างไรก็ <c oughs> ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลคนนั้นได้อย่างถูกต้องถ้ามิตรเทียมก็ให้ระมัดระวังถ้ามิตรแท่ก็เออไว้เนือ่อเชื่อใจเพื่งนพื่ออาศัยกัดได้นะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ในชีวิตของเร า, าการ็เหมือนกันมันมีอะไรเยอะแยะมันมีของเท็จของเก่งของที่เป็น